จากเสียงในหัวธรรมดาตัวเราจะอยู่ในหัวตัวเราเป็นสัาเสียงไร้ตนที่ค้นหาแล้วเหมือนไม่มีแต่ยังมีเสียงในหัวตลอดวันถ้าเลิกเกาะเกี่ยวกับเสียงในหัวสักสองพริบตาแล้วตั้งความรู้สึกเข้าไปที่ความเงียบงันกลางอก จะเห็นความเปิดเผยอันว่างจากเสียงกระซิบแห่งตัวตนเหมือนพ้นจากมิติแห่งความวุ่นเข้าสู่ความว่างชั่วคราวสายลมเหเียดยาวท่ามกลางความสงัดเงียบสัมผัสแจ่มชัดในความนุ่มนวลของลมหายใจที่ลากลึกเข้ามาสู่ความว่างภายในแล้วระบายคืนกลับสู่ความว่างภายนอก ณจุดนั้นจะเกิดขณะหนึ่งแห่งความลืมตัวตนไม่ค้นหาสิ่งใดเพราะใจปีติอยู่กับสายลมประนีตและแม้ขณะแห่งความไร้ลมอันปรากฏความว่างไร้รอยสติบริสุทธิก็หาได้หยุดสะดุดลงยังคงสว่างโพลนอาภาคงเส้นคงวาอยู่อย่างนั้นถ้าทรงอยู่กับความว่างอันเงียบเชี่ยบกลางอกได้ จะเหมือนพบขุมทรัพย์โอลานอยู่ที่นั่นคืนวันหดสั้นลงสู่การยุติความเคลื่อนไหวเผยให้เห็นมหาสมุทรแห่งความสงบอันเป็นทิพย์ครั้นความว่างสนิทกลับแปรปรวนเปลี่ยนเป็นว่างอย่างเห็นนิมิตหมายคล้ายชายม่านหลายผืนสะบัดปลิวอยู่ในหัววาระแรก อาจเป็นการสะบัดปลิวที่ยังปราศจากซุ้มเสียงต่อเมื่อผือนม่านกระพือพัดเร็วแรงจึงเกิดเสียงในหัวตามเดิมและเสริมด้วยความรู้สึกในตัวตนเข้าจนได้แต่อย่างไรรถละไมแห่งความเงียบก็น่าพึงใจยิ่งไม่ผิดและไม่แปลกหากจะอยากหวนกลับไปเห็นสายลมหายใจเหยียดยาว ท่ามกลางความว่างเงียบงันเพื่อหลีกห่างจากเสียงในหัวที่พัวพันยุ่งเหยิงตั้งหลักพักนิ่งอยู่กับความสว่างแจ้งทางใจจากความสว่างเงียบไร้สำเสียงสารพันจากความว่างล้ำลึกไร้ขอบให้คเนและจากความไร้ตัวตนดิ้นรนอย่างเร่าร้อนตัวเราจะกลับมาอย่างสงบสุข เริ่มคิดใหม่ด้วยมุมมองที่แปลกเปลี่ยนแทนการคิดสู่ความวุ่นเป็นการคิดสู่ความว่างจากนั้นจึงเริ่มคุ้นกับชีวิตที่ว่างแล้วค่อยคิดนั่นเองเรียกว่าคิดจากความว่างเป็นแล้ว